เป็นประเทศที่ทราบกันดีว่านะผู้คนมีอายุยืนอายุยืนมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาจะอายุยืนก็เพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างเช่นอาหารที่มีคุณภาพคุณภาพในที่นี้คือว่ามันไม่เกินพอดีมันจะเป็นน้ำตาลไขมัน หรือว่าเกลือนอกจากนั้นเขาก็มีสุขคนที่ใส่นะที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็จะรวมถึงบริการของรัฐที่เอื้อเฟื้อนะใส่ใจคนแก่ก็ทำให้คนญี่ปุ่นนี้ก็มีโอกาสที่จะอายุยืน ไม่ใช่แค่8ปดสิบทีเก้าสิหรือร้อยอย่างทีเดียวแต่เนื่องจากผลญี่ปุ่นอย่างนี้เกิดน้อยลงน้อยลงมากเลยผลก็คือประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นสังคมสูงวัยนะสังคมสูงวัยสังคมที่เต็มไปด้วยคนแก่เกือบส0ปอร์เซน คือคนที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปพอมองในภาพรวมมันก็ดูกลายเป็นไม่ค่อยดีไปสะละจากประเทศที่มีคนอายุยืนกลายเป็นสังคมคนแก่แล้วมันก็มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่น่าสนใจไม่ใช่เพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดี แต่ว่าเป็นปรากฏการที่ดูน่าเป็นห่วงย่างก็พบว่าในนี้คนแก่ในญี่ปุ่นเนี่ยติดคุกกันมากขึ้นประมาณหนึ่งในห้าของผู้ต้องขังเนี่ยในเรือนจำเนี่ยเป็นคนแก่ ล้วแก่นี่ไม่ใช่แก่แบบ65นะมีแก่ 70-80 เอาเลยทีเดียว 70-80 ปีหนึ่งในห้านะของผู้ต้องขังนี่เป็นคนแก่แต่ที่น่าสนใจคือว่า 90% ของคนแก่ที่ติดคุกหรือเป็นผู้ต้องขังนี่ไม่ได้ทำความผิดอะไรรุนแรงนะ เพียงแค่ลักทรัพย์และส่วนใหญ่ก็คือการลักทรัพย์หรือขโมยของในร้านไม่ได้ไปลักทรัพย์ตามบ้านของคนอื่นนะแต่ว่าเป็นการลักทรัพย์ตามร้านตามห้างซึ่งก็น่าคิดนะเพราคนญี่ปุ่นเนี่ย เป็นผู้ที่เชื่อฟังกฎหมายมากดี๋ย ว, ว่าแต่การลักขโมยเลยนะแม้กระทั่งของเจอของตกหล่นเจอของหายรวมทั้งกระเป๋าเงินเนี่ยเจนตามรถไฟฟ้าตามสถานีรถไฟน้อยคนนะที่จะเก็บเอาเป็นของตัวเองแต่ไปมอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของหายที่เรียกว่า lost and found นะเพราะฉะนั้นใครทำของหายตามสถานที่สาธารณะในญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสาจะได้คืนแม้ว่าจะเป็นของที่เล็กน้อยเช่นล่มลืมล่มเอาไว้ถ้าตั้งใจจะไปเอาคืนก็มีโอกาสาได้คืนสูงหรือของราคาแพง เช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยลืมมาไว้ก็มีโอกาสได้คืนไม่่าพูดถึงโทรศัพท์มือถือแต่ทำไมเนี่ยคนญี่ปุ่ น, นหรือว่าคนแก่ซึ่งเป็นพวกที่เรียกว่ามีประวัติการสร้างชาติโันกระทั่งพื้นตัวจากสงครามแล้วก็กลายเป็นประเทศเจริญรุ่งเรืองทำไมถึงกลายเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อย อันนี้เขาไปดูนะบอกว่ากว่าห้าปอเซหรือกว่าครึ่งของคนแก่ที่ติดคุกเพราะลักทรัพย์นะกว่าห0อซนตะอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังไม่ใช่พวกเร่ร่อนนะมีบ้านมีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งแต่ว่าอยู่ลำพัง ลำพังคือว่าอาจจะไม่มีสามีสามีตายส่วนใหญ่นะผู้ที่ถูกจำนี่เป็นผู้หญิงอา จ, จเป็นเพราะผู้หญิงนี่มีอายุยืนกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่อยู่ลำพังก็หมายความว่าสามีตายหรือไม่ใช่ลูกก็ไม่ได้มาดูแลลูกก็อยู่ในเมืองนึง แม่ก็อยู่อีกเมืองนึงซึ่งอาจจะเป็นชนล้มบดก็ได้มันกาลังคิดนะที่การที่อยู่ลำพังเนี่ยมันมีส่วนทำให้คนแก่ในญี่ปุ่นเนี่ยรับเลขขโมยน้อยหรือว่าขโมยพวกสินค้าตามห้างอาจเป็นพ่อไม่มีไม่มีเงินซื้ออยู่คนเดียวรายได้ไม่พอกับรายจ่าย แต่ก็อาจจะเป็นเหตุผลอันดับรองนะเหตุผลหลักๆ ก, ก็เป็นว่าอยู่บ้านมันทรมานอยู่คนเดียวมันทรมานเข้าคุกดีกว่านะเข้าคุกยังมีเพื่อนมีคนพูดคนคุยด้วยมันไม่ว้าวเหวไม่โดดเดี่ยวเหมือนกับอยู่บ้านอันี่ก็ คิดว่าเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะที่ทำให้คนแก่เนี่ยยอมติดคุกด้วยการจงใจนะขโมยสินค้าตามห้างพูดงน่าคือหาเรื่องให้ตำรวจจับจะได้เข้าคุกมันก็แปลงนะคนเราเนี่ยยอมปรารถนาเสรีภาพอยากจะมีอิสระเสรีแต่ทำไมคนแก่ญี่ปุ่นจำนวนมากเนี่ย เรื่องที่จะหมดอิสระภาพหรือว่าถูกจำกัดเสรีภาพนะก็เพราะเขาคงเห็นว่าในไอการที่มีเพื่อนนะพูดคุยด้วยมันดีกว่าดีกว่าอยู่บ้านมีสระเสรีแต่เหงาโดดเดี่ยวอันนี้มันก็ทำให้เป็นเรื่องที่ น, ะน่าน่าคิดนะทั้งในีง่ที่ว่าเนี่ย การมีอายุยืนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นยอดปรารถนาของผู้คนแต่มันก็มกักจะตามมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ปรารถนาแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะอะไรที่ตามมาพราอบความอายุยืนนะก็คือความแก่ชาราแก่ชาราก็หมายถึงการไม่มีกำลังวังชา แล้วไม่ใช่แก่ๆชาลังเดียวมันมายถึงความเจ็บป่วยด้วยแล้วก็ตามมาด้วยความโดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะว่าอายุยืนก็จริงแต่คนอื่นเขาอายุสั้นกว่าเขาก็ล้มหายตายจากไปโดยเพราะคู่ครองแต่ก่อนคนแก่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องความโดดเดี่ยวอ้างว้างนะอย่างคนแก่ในชนบทเนี่ย หรือคนแก่สมัยก่อนนี่ก็มีลูกหลานห้อมล้อมรวมทั้งญาติพี่น้องอยู่รอบข้างแต่พอเป็นคนแก่ในเมืองหรือแม้แต่ในชนบทเองเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เริ่มจะอยู่ลำพังแล้วไม่มีลูกหลานลูกหลานก็ไปอยู่ที่อื่น แต่แถมก็มีลูกน้อยกันซะด้วยบางคนไม่มีลูกเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ค่านิยมของคนก็มีลูกน้อยคนสองคนหรือไม่มีเลยหรือถึงมีเขาก็ไปทํางานตามเมืองใหญ่ๆมีชีวิตของเขาเองเพราะเขารักอิสระเสรีตามค่านิยมคนสมัยใหม่ถ้ามีปัญญาออกไป อยู่นอกอยู่ที่อื่นได้ก็พร้อมจะไปคืออันนี้มันก็เป็นลักษณะของสองคมสมัยใหม่นะในการที่ความมีอายุยืนมันตามมาเพราะความแก่ความเจ็บความป่วยแล้วก็ความโดดเดี่ยวเนี่ยมันคือความจริงของชีวิตนะที่ว่าเนี่ย ไม่มีอะไรที่ดีพร้อมพูดงคือได้อย่างก็เสียอย่างหรือว่าได้อย่างอาจจะเสียหลายอย่างมันมาเป็นแพ็กเกจนะอาการมีอายุยืนเนี่ยมันก็มาเป็นแพ็กเกจนะมาเป็นสีดพอคือไม่ได้มาโดดๆนะมันมาพร้อมกับอย่างอื่นที่ราไม่นป่าธนาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่คิดนะไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่อยากจะมีอายุยืน อยากให้พระวอวยพรให้มีอายุยืนมันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเพราะลึกๆเรากลัวตายเราก็เลยอยากจะมีอายุยืนให้มันห่างไกลความตายไปสักหน่อยแต่เราก็ไม่ค่อยได้คิดนะว่ามันจะตามมาพร้อมกับอย่างอื่นที่ ไม่ค่อยน่าปรารถนาเท่าไหร่คือความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากและความโดดเดี่ยวมันมาเป็นแพ็กเกจแต่คนเรามักจะมองอะไรเป็นมองอะไรโดดโดดนะเป็นชิ้นชิ้นแยกจากกันแต่ว่าความจริงเนะี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเช่นเดียวกันนะในความสดวกสบายของโลกสมัยใหม่ อันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเดี๋ยวนี้เรามีความสุวกสบายมากขึ้นมีความเจริญทางวัตถุมีความทันสมัยอันนี้ใครๆก็ชอบนะแต่มันมักจะตามมาพร้อมกับบางถึงบางอย่างที่เราไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยปรารถนาเท่าไหร่เช่นชีวิตที่เร่งรีบและการอยู่แบบตัวใครตัวมัน ต่างคนต่างอยู่แล้วกระทั่งครอบครัวก็เดี๋ยวนี้ก็อ้างว้างพอพอลูกนะเติบโตพอจะมีกําลังในการประกอบอาชีพเขาก็ไปอยู่ที่อื่นไปที่ไหนนะไปที่ที่มันมีความเจริญไงพอสังคมมันมีความเจริญคนก็ปรารถนาความ สะวกสบายปราชนาไปอยู่ที่ที่มันมีความเจริญให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุเงินทองมากกว่าความสัมพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับสังคมที่มีความเจริญทางวัตถุคนก็ไปลหลงไหลความเจริญก็ ตรงไหนที่มันจเจริญเขาก็แหงกันไปตรงนั้นแหละก็คือไปตามมือใหญ่ๆ ห, หรือว่าไปหาช่องทางประกอบอาชีพที่มันจะทำให้ร่ำรวยสิ่งที่ตามมาคือว่าลูกๆ ก, ก็ทิ้งพ่อแม่ไปอยู่ในที่ที่จะทำมาหาเงินได้สะดวกหรือว่าอาจจะอยู่ไม่ไกลจากพ่อแม่นะั้นแต่ว่าไม่มีเวลาเพราะว่าเอาแต่ทำงานหาเงิน อยู่ไม่ได้ห่างกันเลยนะ 4-5 หกิโลหรือบางทีอาจจะอยู่ในซอยเดียวกันด้วยซ้ำแต่ไม่มีเวลามาเยี่ยมแม่หมาก็มาประเดียวประดาวเพราะว่าเอาแต่ทำมาหาเงินหรือไม่ก็มัวแต่เพลิดเพลินสนุกสนานกับสิ่งเสพนะความเร็จอร่อยทางวัตถุผลก็คือพ่อแม่ก็อยู่กันลำพัง อันนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะที่มันมาด้วยกันถ้าลักที่จะอยู่ถ้าลักที่จะอยู่ในที่ที่มันมีความสะดวกสบายก็ต้องพร้อมที่จะเจออะไรหลายอย่างอันนี้ไม่ต้องพูดถึงรถติดมลภาวะอานยกรรมนะที่นี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสงคมญี่ปุ่นนะ เมืองไทยก็กำลังจเจริญรอยตามเพราะตอนนี้เมืองไทยก็เป็นสังคมผู้สูงวัยู่สังคมคนแก่มากขึ้นทุกทีพูดถึงตามสถิติก็เรียกว่าเป็นสังคมคนแก่เต็มขั้นละเพราะว่า1ใน5หรือ1ใน4ของประชากรต้องประเทศนี้เป็นคนแก่อายุห้าสปีขึ้นไปเรียกว่าจเจริญรอยตามญี่ปุ่นไปติดติดเพราะฉะนั้นต่อไปปัญหาที่เกิดขึ้นกคนแก่ ในญี่ปุ่นก็จะเกิดขึ้นกับคนแก่ในเมืองไทยคือโดดเดี่ยวอ้างว้างที่จริงการที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เวลวร้ายนะมันอยู่ที่ว่าเราสามารถจะวางจิตวางใจเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคนเราเพออยู่คนเดียวแล้วมันจะต้องลงเอยด้วยความโดดเดี่ยวอ้างว้างมันอยู่ที่ทัศนคตินะถึงแม้ว่าร่างกายมันจะไม่ค่อยเป็นใจ ที่จริงถ้าวางใจไม่เป็นนะแม้จะเป็นหนุนเป็นสาวถ้าอยู่คนเดียวมันก็ย่แย่เหมือนกันนะทั้งที่สามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปสนุกสนานสำเร็จสาราญทุกค่ำทุกวันก็ได้แต่ถ้าหากว่าวางใจแม่เป็นหรือมีทัศนคติที่ไม่เกือ้อกูลนี่มันก็มันก็นกทุกข์เหมือนกันนะมันก็โดนเดืยวอ้างวางจนบางทีอาจจะถึงกับเข้าหาเล่ายาเสพติด แล้วลงสุดท้ายก็ลงโดยการค่าตัวตายเพราะว่าสิมเศร้า ท, ที่อเมริกามันมีหนุ่มคนหนึ่งกันรายฟังว่าไปเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยเรียนตอนที่เรียนชั้นปีหนึ่งเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีเพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งนะชั้นเดียวกันเลยนะอายุ8ปปีนะ ชื่อโรสนะ8ปปีนะมาเรียนรวมกับนักศึกษาอายุ1 8บแกนักแกก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันแล้วก็ยิ้มแย้มกั่ใสนะตอนนั้ที่ร่างกายก็แก่ชรามากนักสาหนูเคยถามคุณยายคนนี้ว่าทำไมถึงมาเรียน ไม่เล่นมาชอะไเอาตอนนี้ล้ว ก, ก็บอกว่าเนี่ยคุณยายรสนีแกก็บอกว่าก็อยากจะมาหาสามีที่รวยๆนะหน้าตาดีแต่งงานเราจะมีมีรู้ใจกันสักสองสามคนนักสามหน่ก็เลยบอกว่าพูดจริงๆนาะยจะพูดเล่นนะเพราะแกรู้ว่าเนี่ยคุณยายรสนี่แกพูดเล่นนะ อายุ87เปีแล้วจะมีลูกได้ยังไงนะแกก็บอกว่าเนี่ยแกมีความฝันแนกะมีความฝันมานานแล้วว่าอยากจะอยากจะได้ปริญญาตอนนี้ชีวิตนี่ว่างแล้วก็เลยมาเรียนหนังสือเพื่อจะเอาปริญญาที่จริงความหมายของแกนี่คงจะไม่ใช่ปริญญาหรอกนะแต่ว่าหมายถึงอยากจะไม่ได้รู้อะไรใหม่ๆ ว่าน่าคิดนะอายุ87ปีเกือบ90แล้วยังมีใจอยากจะเรียนรู้นะจึงมาเรียนจึงมาเข้าหมหาวิอะารและ ต, ตอนเวลาที่เรียนหนังสือเนี่ยก็เป็นคนที่กระตือรือร้นนะอยากจะรู้อาจารย์สั่งให้ทำอะไรก็กทำนะไม่ว่าจะเป็นรายงานก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ได ไม่ได้เฉยเนื่อยเลยนะกับการเป็นนักศึกษาจดียกาทั้งเรียนจบนะและเป็นที่ประทับใจนะของนักศึกษารุ่นหลานมากเลยนะเพราะว่าแกเป็นคนมีชีวิตชีวามากคนมีอารมณ์ขันนะแกบอกเนเคล็ดลับคนก็ถามแกมีเคล็ดลับอย่างไรนะ ในการดาเนินชีวิตเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยมีอยู่สี่อย่างที่หนึ่งคือต้องหัวเราะบ่อยๆมีอารมณ์ขันมีเรื่องที่มีเรื่องสนุกสนุกอยู่ได้ทุกวันและสองคือมีความฝันนะความฝันในที่นี้หมายถึงความใฝ่ฝันหรือถ้าพูดยญ่คือมีเป้าหมายนะเป้าหมายของชีวิตนะเป็นประมาณเชิง ก, การก็คือ เรียนให้ได้ปริญญาหรืออาจจะเป็นว่าเป้าหมายชีวิคือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนปริญญานี่ก็เป็นผลพลอยด้านนี่สําคัญนะคนเราเนี่ยถ้าหาว่าไม่มีเป้าหมายของชีวิตนะหรือเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยถึงแม้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยู่แบบเลื่อนลอยนะอยู่แบบว่างเปล่าเคว้งคว้างแม้จะเรียนหนังสือได้ดี มีงานที่มันคงแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าเป้าหมายของช่วยคืออะไรเนี่ยมันก็ดูับบงอยเหงายิ่งพอแก่ตัวแล้วไม่มีงานทำกเกษียณไม่รู้ว่าจะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตหรือไม่มีเป้าหมายวันทั้งวันในแต่ละวันเนี่ยจะทำอะไรมันก็งอยเหงาคนแก่จานวนมากมีงอยเหงา แต่คุณยายรสนี่แกมีเป้าหมายเพราะแ ก, กมีความใฝ่ฝันอยู่เสมอและประการที่สามนี่คือว่าต้องคิดถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เรื่อยๆซึ่งนี่ก็คือเรื่องการเรียนรู้นั่นเอง เพราะว่าคนเราจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนได้มันก็ต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอแก่ตัวแล้วเนบางทีที่เาเรียกเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไม้ตายเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียนรู้อะไรต่อไปแต่ถ้าคนเราเนี่ยแม้แก่แล้วก็ยังอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาตนไปเรื่อยๆอันนี้มันก็ทำให้มีชีวิตชีวา แล้วก็บอกประกาสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทไม่มีความเสียใจในสิ่งที่ได้ทําไปในอดีตการทำกิจกรรมต้องไม่ประมาทกับชีวิตนะต้องใส่ใจคนเราเนี่ยมันจะเสียใจในเรื่องที่ผ่านไปแล้วอยู่2เรื่องคือเสียใจในสิ่งที่ในบางอย่างที่ได้ทาเพราะมันไม่ควรทำ หรือเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทาเพราะเป็นสิ่งดีๆที่ควรทำแต่แกบอกแกไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจนะไม่รู้สึกผิดในสิ่งที่ได้เคยทำในอดีตแล้วก็อะไรที่ควรทำอยากทำก็ได้ทำอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะที่ทำให้คนแกอย่างคุณยายโรสเนี่ยนะแกมีชีวิตชัวร์ไม่หงอยเหงาไม่โดดเดี่ยวอ้างว้าง หรือเคร่งคว้างเหมือนกับคนแก่ญี่ปุ่นนะจำนวนมากที่ต้องตัดสินใจทําผิดเพื่อให้ได้เข้าคุกจะได้หนีชีวิตที่มันน่าเบื่อชีวิตที่มันงอยเหงาเรื่องพวก น, นี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้เพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะได้แก่เท่านั้นแหละไอ้ที่จะตายก่อนแกนะ่เปอร์เซ็นต์น้อย ในตอนที่ยังไม่แก่นี่เราจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญนะหรือที่ว่าเอ้ยถึงเวลาแก่เราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างที่เล่ามาหรอกแต่คนเราพอแก่ตัวจริงๆมันจะรู้ว่าเรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วไอสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะเป็นเราก็เป็นไอสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราควรจะรู้สึกก็ดันรู้สึกอันนี้คือกับดักที่ทําให้คนจนํานวนไม่น้อยเนี่ยไม่ได้คิดที่จะ เตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับชีวิตในวัยชราและพอไม่ได้เตรียมตัวพอถึงเวลาแก่ไม่มีกำลังวังชาเจ็บป่วยมันก็เริ่มเสียสูญแล้วยิ่งอยู่คนเดียวก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่ถ้ายังไม่แก่ยังมีกำลังวังชาอยู่คนเดียวก็ยังโอเคนะยังพอที่จะรับมือ การอยู่ลำพังได้แต่พอแก่ไม่มีกำลังวังชาฮอร์โมนเปลี่ยนมีความหดถูห่อเหี่ยวเพิ่มขึ้นนะมันก็เริ่มจะมีปัญหาไม่สามารถรับมือกับความโดดเดี่ยวอ้างวางได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เตรียมสิ่งที่มาช่วยเราได้มากเนี่ยนอกจากที่คุณยายลดพูดมาแล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้ เราจะอยู่กับตัวเองได้เนี่ยเพราะหนึ่งช่วเราแล้สุว่าช่วยเรามีคุณค่ามีความเต็มอิ่มเต็มอิ่มเพราะว่าหรือเรื่อว่าได้รับการเติมเต็มเพราะมันมีคุณค่าของชีวิตเนี่ยมาช่วยเติมเต็ ม, ตมชีวิตและสิ่งนี้อีกที่สำคัญคือการที่เรามีความรู้สึกตัวนะที่มันช่วยเติมเต็มจิตใจไม่ให้พร่องในความรู้สึกตัวความมีสติเนี่ยมันช่วยทําให้เรา มีความพร้อมในการอยู่คนเดียวได้และไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวในยาปกติเท่านั้นแม้กระทั่งอยู่คนเดียวเมื่อต้องป่วยติดเตียงนะหรือว่าเวลาเจอความสูญเสียพัดพร่แล้วก็ยังมีสตนะิเป็นเครื่องช่วยปกครองรักษาใจพอสติมันทําให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นมิกฉาตัวเองได้อยู่คนเดียว ก็อยู่ได้ด้วยใจที่ไม่ถูกคนเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสติและความรู้สึกตัวเท่าไหร่เพะเราคิดว่าเรามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีลูกหลานมีเงินทองมีงานการมีชื่อเสียงมีกำลังวังชาแต่พอถึงเวลาที่สิ่งลนั้นมันค่อยๆหายไปสูญไปตามวันเวลาที่ผ่านไป บางทีเงินพออจะยังไม่ลยไม่ลอยหล่อนะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะแก้ความทุกข์เพราะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างวางได้ที่จริงความการอยู่ลําพังนี่มันไม่ทําให้เราเป็นทุกข์นะแต่เป็นเพราะเราวางใจไม่เป็นต่างหาตรงนี้ที่ทําให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเราวางใจใเป็นมีสติความสึกตัวจิตใจมันจะมีควา ม, ช, ม, ช, มชื่นชื่นเบบิกบานนะสามารถพบความสุขภายใน สามารถจะเข้าถึงความสงบเย็นในจิตใจนั่นี้เวลาป่วยมันก็ป่วยแตกายนะแต่ว่าใจก็ยังสดใสได้การอยู่ลำพังมันจะไม่ใช่เป็นความวังเวงโดดเดี่ยวนะแต่มันเป็นความวิเวกมันเป็นความาความสงบนะที่สามารถจะเติมเต็มหรือหล่อเลี้ยงจิตใจได้ แต่เป็นเพราะคนไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องนี้เลยอาจจะเป็นเพราะประมาทหรือเพราะคิดว่าฉันก็จะยังเหมือนเดิมในอีก30ปีข้างหน้า40ปีข้างหน้าวันนี้ฉันยังแช่มชื่นเบิกบานยังไง40ปีข้างหน้าฉันก็จะเป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้คิดว่าพอถึงตอนนั้นเนี่ยร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมจิตใจก็ไม่เหมือนเดิมถ้าไม่ได้ฝึกนั้นฝึกเอาไว้ในตอนนี้นะ เราจะได้มีเครื่องรักษาใจถึงในยามที่ชีวิตมันหรือร่างกายมันเข้าสู่ภาวะขาลงแต่จิตใจก็ยังทยานขึ้นไปเรื่อยๆได้นะเพราะว่ามีสติมีสมาธิมีความสึกตัวเป็นเครื่องหนุนช่วย